พ่อนี้ศีลช่วยได้ถึงที่สุดเมื่อมีศีลบริสุทธ์ก็มีปิติปราโมช์ฉะนั้นจึงต้องมีศีลก่อนคำกล่าวนี้มีหลักที่อ้างอิงในพระบาลีโดยตรงในบาลีมัชชิมนิกายก็ได้มีการกล่าวถึงความบริสุทธิ์สะดวกของการปฏิบัติเป็นขั้นๆไปตามลำดับจนครบเจ็ดอย่างถึงที่สุด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 ไม่มีศีลที่ถูกต้องสมบูรณ์ศีลที่ถูกต้องตามความหมายเมื่อมีความปกติคือความสงบทางกายวาจาก็ย่อมจะเกิดความสงบในทางจิตใจเหมาะที่จะปฏิบัติงานทางด้านจิตต่อไปคือทิฏฐิวิสุท ธ, ธิกังขาวิตรณะวิสุท ธ, ธิ มัคคาคักขยานนัทสนวิสุทธิปฏิปทายาทณทสนวิสุทธิและญาทณทสนวิสุทธินั่นเป็นตัววิปั ส, สนาแท้สีละวิสุทธิกับจิตวิสุทธิจัดเป็นปากทางของวิปั ส, สนา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 หรือเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรมเป็นผีเป็นอะไรอะไรในทางขลังทางศักดิ์สิทธิ์ไปทั้งนั้นไม่สามารถจะเห็นว่ามันเป็นเพียงธาตุสี่หรือเป็นเพียงนามและรูปกายกับใจแต่ไปเห็นเป็นตัวเป็นตน มีเจตพูดหรือวิญญาณที่เข้าเข้าออกออกอยู่กับร่างกายมองไม่เห็นว่าเป็นขันคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เห็นว่าเป็นเพียงการสัมผัส ท, ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเหล่านี้เป็นต้นความคิดผิดจึงโน้มเอียงไปในทางยึดถือความขัง ยึดถือความศักดิ์สิทธิ์จนทำให้เกิดความหวาดกลัวเลยต้องทำพิธีรีตองต่างๆ ต, ตามความเชื่อความเห็นผิดเหล่านั้นนี่เรียกว่าความเห็นยังไม่สะอาดหมดจดจะต้องเริ่มละความเห็นที่เหลวไหลอย่างผิดๆในขั้นห ย, ยาบๆทำนองนั้นให้หมดเสีก่อนจึงจะเป็นวิปัสสนาตัวที่หนึ่งเรียกว่า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 กังขาวิจารณวิสุทธินี้มีหน้าที่แยกดูว่ากายกับใจแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี้มีมูลเหตุสร้างสรรร่วมกันมาอย่างไรฉะนั้นจึงมองลึกลงไปอีกว่าความรู้ความอยากความยึดติดกรรมอาหารมันสร้างสรรปรุงแต่งกันมาอย่างละเอียดประนีตจนกระทั่งเกิดสิ่งที่เรียกว่า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 ก็ต้องอาศัยเหตุที่ได้ทราบว่ามันไม่มีตัวเรามีแต่ธาตุขันธ์อายตนะพร้อมทั้งเหตุปัจจัยต่างๆเช่นอวิชชาตันหาอุปท า, านกรรมอาหารซึ่งปรุงแต่งสิ่งเหล่านี้โดยมันไม่มีตัวเราจริงๆแล้วเริ่มเลิกความเข้าใจเขาเคลาว่าเรามีอยู่เรามีมาแล้ว เราจะมีต่อไปนั้นเสเมื่อความสงสัยชนิดนี้ระงับไปแล้วก็เรียกว่าเป็นวิปัสนาตัวที่สองแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นการถอนอุปทานว่ามีตัวเราได้โดยสิ้นเชิงเพราะส่วนที่ละเอียดกว่านั้นยังมีอยู่อีกความสงสัยเหล่านี้ได้ระงับไป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 คือความรู้อันสะอาดหมดจดเห็นว่าอะไรเป็นทางที่ก้าวต่อไปอย่างถูกต้องและอะไรไม่เป็นทางที่จะก้าวต่อไปได้อุ ป, ปรสรรคที่ทำให้ก้าวต่อไปไม่ได้อันนี้ก็มีหลายอย่างที่มักเกิดในขณะที่ทำวิปัสสนาก็คือในตอนที่จิตเป็นสมาธินั้นมักจะเกิดสิ่งต่างๆชนิดแปลกประหลาด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 นี่ละเป็นผลของวิปั ส, สนาหรือยินดีว่านี่เป็นของวิเศษพอแล้วสำหรับเราดังนี้มันย่อมกั้นหนทางแห่งความเห็นแจ้งในมรรคผลท่านจึงถือว่าเป็นเรื่องผิดทางตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งเช่นเกิดปิติอิ่มอกอิ่มใจขึ้นมาท่วมทนจิตใจเสเรื่อยตลอดเวลาจนไม่อาจพิจารณาอะไรได้อีกต่อไป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 สิ่งที่ตนเคยรักก็จะกลับรักอย่างเดิมอะไรๆก็จะกลับสู่สภาพเดิมหรืออาจมากเกินไปกว่าเดิมเดิมอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อความเชื่อที่ไม่เคยแน่นแฟนมาแต่ก่อนก็จะปรากฏว่าแน่นแฟนเช่นเชื่อในพระรัตนตรยัย หรือในสิ่งที่ตัวนึกจะเชื่อแม้ที่สุดเช่นความพอใจในธรรมะก็จะมีอาการรุนแรงลักษณะของความเฉยต่อสิ่งทั้งปวงมีอาการชัดแจ้งล้วนแต่เป็นอาการจูงจิตให้หลงผิดคิดว่าตนได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้ว เป็นการยากมากที่คนเราพบสิ่งเหล่านี้จะเข้าใจได้ว่ามันเป็นอุปสรรคและเป็นเครื่องกรีดขวางทางของวิปัสสนามีแต่จะกลับเห็นไปเสียว่านี่เป็นยอดสุดของวิปัสสนาทีเดียวต่อเมื่อใดเกิดความรู้แจ้งจริงๆว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งกีดขวางทางของวิปัสสนาขั้นที่จะทำการตัดกิเลสละเอียดเสียได้เมื่อนั้น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 มีจิตพร้อมที่จะบรรลุถึงการรู้อริยสัจที่เป็นคุณธรรมชั้นวิเศษสืบไปเรียกว่าปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิซึ่งแปลว่าความหมดจดแห่งความรู้ความเห็นในตัวทางแห่งการปฏิบัตินับเป็นวิปัสนาตัวที่สี่หรือนับเป็นวิสุทธิอันดับที่หก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 เต็มไปด้วยการเกิดและการดับเหมือนท้องทะเลร ะ, ระยิบระยับเต็มไปด้วยการเกิดและการดับของฟองน้ำที่เกิดจากลูกคลื่นชั้นใดก็ชั้นนั้นความรู้ที่ได้ในขณะนี้เรียกว่าอุททยับพ ย, ปปายานุปัตสนาญาณและว่าความรู้เป็นเครื่องชี้ให้เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมสลายไป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 สภาพของสิ่งทั้งปวงประกอบด้วยโทษอันร้ายกาจโดยส่วนเดียวไม่มีความปลอดภัยในการที่จะไปหลงเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นเปรียบเหมือนป่าที่เต็มไปด้วยสัตว์ ร, ร้ายไม่เป็นที่น่าอภิรมแกผู้ต้องการความเพลิดเพลินจากป่าชั้นใดก็ชั้นนั้นความรู้สึกเห็นสภาพทั้งปวงเต็มไปด้วยโทษต่างๆเช่นนี้เรียกว่า อาทีนวนุปัสนาญาตแปลว่าความรู้เป็นเครื่องชี้ให้เห็นโทษของสังขารทั้งปวงเรียกสั้นๆว่าอาทีนวญาณจัดเป็นวิปัสนาญาณอันดับที่สี่หาเมื่อพิจารณามองเห็นว่า สิ่งทั้งหลายย่อมเต็มไปด้วยโทษทุกๆ ก, กระเบียดนิ้วเช่นนี้แล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายในภาวะทั้งปวงเห็นเป็นเหมือนกับบ้านเรือนที่ถูกไฟไหม้เหลือแต่ดุนถ่านดูเป็นรูปโครงของบ้านเรือนที่ถูกไฟไหม้ไม่น่าสเสนหาแต่ประการใดความรู้สึกเบื่อหน่ายต่อการที่จะต้องระคนอยู่กับสิ่งปรุงแต่งทั้งปวงนี้เรียกว่า นิพพิทานุปปสนายานแปลว่าความรู้ทำให้เกิดความเบื่อหน่ายเรียกสั้นๆว่านิพพิทายานเป็นวิปัสนายานอันดับที่ห้าเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายที่แท้จริงเช่นนี้ก็เกิดความรู้สึกที่อยากจะพ้นจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นจริงๆ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 หรือเปรียบอย่างเนื้อหรือนกที่ติดบ่วงดินเร่าๆมันอยากพ้นจากบ่วงนั้นเท่าไหร่เขาก็อยากพ้นจากสังขารทุกขมากเท่านั้นความรู้สึกอยากจะพ้นจริงๆทานองนี้เรียกว่ามุนจิตุกรัมรมยตาญาณซึ่งแปลว่าความรู้เป็นเหตุให้เกิดความปรารถนาที่จะพ้นทุก์นับเป็นวิปัสนาญาณอันดับที่หก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 ทำให้มันอ่อนกำลังลงทุกวันทุกวันแล้วก็ไม่ลดละติดตามฆ่าอยู่เสมอเสมออุบายอย่างนี้ท่านเรียกว่าปฏิสังขานุ ป, ปัสนาญาณจัดเป็นวิปัสนาญาณอันดับที่เจ็ดการทำให้กิเลสอ่อนกำลังลงนั้น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 ว่างจากสาระคือความเที่ยงแท้ถาวรว่างจากความสุขเพราะเต็มไปด้วยทุกข์ว่างจากความงดงามเพราะดูแล้วล้วนแต่หน้าระอาดังนี้เป็นต้นในที่สุดก็เกิดความวางเฉยในสิ่งทั้งปวงในทุกทุกภาวะเห็นสิ่งที่เคยรักใคร่หลงไหลเป็นก้อนอิฐก้อนดินไป ท่านเปรียบข้อความนี้ว่าเหมือนกับคนที่เคยรักกันมาแต่ก่อนบัดนี้ปรากฏว่าเป็นกบฏก็หมดรักเช่นในกรณีที่เมียมีชู้เลยหมดรักครั้นยาขาดจากกันแล้วเขาจะไปทําอะไรต่อไปก็ได้ใจเราเฉยได้ภาวะต่างๆที่แต่ก่อนนี้เคยเป็นที่อริอร่อยนาน า, นานาประการของตน เมื่อจิตสูงขึ้นมาถึงยานอันดับที่8นี้แล้วก็ทราบว่ามันว่างจากสาระใดๆจึงวางเฉยในภาวะทั้งปวงเสียได้เหมือนบุรุษที่วางเฉยกับภรรยาที่ยาขาดกันแล้วเป็นต้นสังขารุปเปขายานนี้จัดเป็นวิปัสนายานอันดับที่8เรียกสั้นๆว่าอุเบกขาหยาน เเมื่อวางเฉยในภาวะทั้งปวงได้อย่างนี้ใจก็พร้อมที่จะรู้อริยสัจสี่ที่จะทำให้บรรลุถึงทางที่จะนำไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าจิตที่อยู่ในสภาพเช่นนี้ท่านเรียกว่าสัจจานุโลมิกญาณแปลว่าความเห็นที่พร้อมที่สุดที่จะรู้อริยสัจชนิดที่เป็นขั้นทาลายกิเลสเครื่องขูกพันคน ให้ติดโลกให้หมดไปได้เป็นพระอริยะบุคคลชั้นใดชั้นหนึ่งนับเป็นวิปัสนาญาณอันดับที่9เรียกสั้นๆว่าอนุโลมิกญาณวิปัสนา9ก้าลำดับนับตั้งแต่อุทยพยนุปัสนาญาณไปจนถึงสัจจานุโลมิกญาณ น, นี้เป็นที่สุด เมื่อเป็นไปอย่างสมบูรณ์เต็มที่แล้วเรียกว่าปฏิปทายานทัศนวิสุทธิเป็นวิปสนาญาณตัวที่สหรือนับเป็นวิสุทธิอันดับหกล่าวคือความบริสุทธิสะอาดหมดจดแห่งปัญญาซึ่งเป็นเครื่องมือทำให้เห็นหนทางดำเนินไปของการพิจารณาจนเกิดปัญญาที่รู้แจ้งและตัดกิเลสได้ วิปัสนาตัวที่ห้าต่อจากนั้นก็ถึงวิสุท ธ, ธิอันดับเจที่เรียกว่าญาทณทัศนวิสุท ธ, ธิคือความหมดจดแห่งความเห็นที่ถูกต้องซึ่งได้แก่อริยมรรคยานนั่นเองนี่เป็นขั้นสุดท้ายของวิปัสนาหรือผลของวิปัสนาได้แก่อริยมรรคยานทั้งสนับเป็นวิปัสนาตัวที่ห้า ในลำดับระหว่างสัจจานุโลมิกยานกับยาณทัศนวิสุทธินี้มีโคตรรัพูยานแทรกอยู่ในฐานะที่เป็นเครื่องหมายขั้นระหว่างคนธรรมดาที่มีกิเลสกับพระอริยบุคคลแต่โดยที่โคตรรัพูยานมีขณะแวบเดียวแล้วก็ดับไปจึงควรสงเคราะห์เข้าไว้เสียในฝ่ายปฏิปทาย า, านทัศนวิสุทธิ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 พิจารณาสิ่งทั้งปวงจะเรียกว่าโลกหรือภาวะหรือสังขารหรือขันห้าก็ได้เพราะว่าในภาวะทั้งหลายก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าขันห้าพิจารณาให้เห็นอะไรตอบว่าให้เห็นความไม่เที่ยงเป็นทข์เป็นอนัตตามีเต็มไปในภาวะทั้งหลายในโลกเช่นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ ดับไปดับไปจนเห็นว่าเต็มไปด้วยความน่ากลัวน่าเบื่อหน่ายไม่มีอะไรที่น่าเอาน่าเป็นอาการเหล่านี้คือลักษณะที่จะต้องปรากฏในวิปัสสนาอะไรเป็นกิจของวิปัสสนา กิจโดยตรงของวิปัสสนาก็คือการกำจัดความโง่เพราะวิปัสสนาแปลว่าความเห็นแจ้งผลของวิปัสสนาคืออะไรผลก็คือเกิดความเห็นแจมแจ้งเกิดความรู้แจ้งแทงตลอดในสิ่งทั้งปวงกำจัดกิเลสให้สูญสิ้นไปเป็นความสะอาดสว่างสงบ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 สำหรับป้องกันม่ให้เกิดความเข้าใจผิดในการปฏิบัติธรรมอันเป็นชั้นยอดที่สุดสูงที่สุดของพระพุทธศาสนาปรากฏว่าในขณะนี้ยังมีคนที่หลงผิดอยู่เป็นจำนวนมากที่เข้าไปยึดเอาสิ่งที่ไม่ใช่วิปัสนามาเป็นวิปัสนาเลยทำให้เกิดเป็นวิปัสนาการค้าหาเงินวิปัสนาชวนเชื่อเพื่อให้ได้พักพวก แล้วแต่งตั้งให้เป็นพระอริยเจ้าแบบใหม่อันอยู่ในสภาพที่น่าเวทนาอย่างยิ่งจงทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่าง ยกผลงานให้ความว่างทุกอย่างสิน้นกินอาหารของความว่างอย่างพระกินตายเสร็จสิ้นแล้วในตัวแต่หัวทีท่านผู้ใดว่างได้ดังว่ามาไม่มีท่าทุกทนหม่นหมองสีศิลปะ ในชีวิตชนิดนี้เป็นเคล็ดที่ใครคิดได้สบายเอ่ย